2. อ, อย่า ก, กระจายงานที่เป็นความรับผิดชอบหลักซึ่งมีความสำคัญและเราควรจะเป็นผู้ลงมือกระทำอย่างแท้จริงสอย่า ก, กระจายงานที่เรารู้อย่างแน่ชัดอยู่แล้วว่าบุคคล น, นั้นไม่มีความสามารถหรือมีความรับผิดชอบเพียงพอสกระจายงานด้วยแรงจูงใจว่าเพื่อที่ทีมงานทุกคนจะมีส่วนในความสาเร็จของงานร่วมกันห้ากระจายงาน